เรื่องหานสาวกาละครั้งหนึ่งเดินมาแล้วราชาแห่งดินแดนยิ่งใหญ่เสียชีวิตและทิ้งราชินีกับลูกสาวเอาไว้ตอนนั้นมีนางฟ้าใจดีที่ชอบเจ้าหญิงมากนางช่วยราชินีดูแลเจ้าหญิงตอนเจ้าหญิงโตขึ้นมาเจ้าหญิงได้รับมอบหมายให้แต่งงานกับเจ้าชายแดนไกลและเมื่อถึงเวลาที่เจ้าหญิงจะแต่งงาน เธอเตรียมตัวออกเดินทางหาเจ้าชายราชินีเก็บเสื้อผ้ากับเครื่องประดับให้กับลูกสาวลูกแม่เอาเครื่องเพชรพวกนี้กับหินมีค่าไปด้วยนะไปอยู่ให้มีความสุขกับเจ้าชายและนางให้สาวใช้ส่วนตัวไปกับเจ้าหญิงแล้วก็ให้นางไปกับนางสนมแต่ละคนจะมีม้าเดินทางไปด้วย <c oughs> ม้าของเจ้าหญิงคือของขวัญจากนางฟ้า มันชื่อฟาราดาและพูดได้โอ้เดี๋ยวก่อนข้ามีอะไรจะให้อีกอยากนางฟ้าเอากันไก่ออกมาตัดผมตัวเองดูแลมันให้ดีมันเป็นเครื่องรางมีประโยชน์กับเจ้าระหว่างทางแน่เจ้าหญิงบอกลาแม่และนางฟ้าแม่ทูลหัวของนาง น, นางเดินทางไปกับสาวใช้และมา้าฟาราดา หลายชั่วโมงผ่านไปเจ้าหญิงหิวน้ำและพูดกับสาวใช้ว่าเพ่ไปเอาน้ำมาให้หน่อยสิถ้าท่านหิวน้ำมากก็ลงมาจากม้าเองแล้วลงไปดื่มน้ำเองข้าไม่ใช่คนใช้ของท่านนะเจ้าหญิงตกใจเลยลงจากหลังมา้าและก้มตัวลงไปที่แม่น้ำแล้วดื่มมันหลังจากนั้นผมวิเศษก็พูดว่า สวัสดีองค์หญิงท้าแม่ของท่านรู้แม่ท่านหัวใจสลายแน่แต่เจ้าหญิงอ่อนน้อมไม่พูดอะไรและขึ้นมากลับไปหลังจากนั้นหลายชั่วโมงนางก็หิวน้ำอีกพวกนางเลยจอดที่แม่น้ำและพูดกับ่าใช้ว่าเพรยเอาน้ำาให้ข้าหน่อยสิข้าบอกว่าให้เอาเองอีกครั้ง ที่เจ้าหญิงลงจากหลังมา้าและก้มตัวลงในแม่น้าเพื่อดื่มน้ำผมดังฟ้าก็พูดว่าถ้าแม่ท่านรู้แม่ท่านเสียใจแน่สาวใช้ท่านไม่เชื่อฟังท่านต้องระวังให้ดีนะอย่าก้มตัวมากนะโอ้ผมกาลังจะตกลงแม่น้ำแล้วผมพิเศษตกออกจากกระเป๋าของเจ้าหญิงแล้วลอยไปตามน้ำ สาวใช้ก็บอกว่าตอนนี้เจ้าไม่มีอำนาจแล้วสินะจากนี้ข้าจะสั่งเจ้าเองเจ้าต้องฟังข้าถอดชุดออกมาเอามาให้ข้าแล้วเจ้าใส่ชุดข้าตอนนี้ข้าเป็นเจ้าหญิงแล้วถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเจ้าจะต้องเสียใจทีหลังสาวใช้ใส่ชุดของเจ้าหญิงแล้วขึ้นม้าฟาราดาของเจ้าหญิงเจ้าสาวตัวจริงก็ได้นั่งม้าไม่สวย สุดท้ายพวกนางก็ไปถึงวังเจ้าชายเจ้าชายไปเจอกับาสาวๆและคิดว่าสาวใช้คือเจ้าสาวตัวจริงยินดีต้อนรับตัววังของข้าเจ้าหญิงที่รักข้าดีใจมากที่ได้มาที่นี่แล้วผู้หญิงคนนี้คือใครนางคือคนใช้ข้านางคือเออสหายข้าแต่ข้าไม่ชอบนางเจ้าชายข้าอยากจะรู้ว่าท่านมีงานให้นางทำไหม ข้าไม่มีงานให้นางหรอกแต่ข้ามีชายคนหนึ่งชื่อเคอร์เคนที่สามารถดูแลหารทั้งฝูงได้นางอาจจะช่วยเขาได้เอ้เจ้าชายงินช่วยข้าหน่อยนะกําจัดม้าที่ข้าขี่มาที่นี่ทีมันเกือบจะทำให้ข้าตกลงกลางถนนที่จริงแล้วสาวใช้รู้ว่าฟาลาดาพูดได้นางกลัวว่าม้าจะแฉความจริงให้เจ้าชายฟัง นางเลยพูดกับเจ้าชายหลังจากนั้นฟลลารดาก็โดนฆ่าแต่เมื่อเจ้าหญิงตัวจริงได้ยินเข้านางร้องไห้และขอร้องให้ชายคนหนึ่งเอาหัวของฟลลารดาไปตรึงไว้กับฝาผนังระหว่างทางไปวังซึ่งนางจะได้เห็นฟลลารดาทุกวันและนึกถึงมันตามใจเจ้าเลยเขาเอาหัวฟลลารดาไปตรึงไว้กับประตูช้มืดตอนที่นางกับเคอร์เคน ออกผ่านประตูไปด่นานพูดอย่างเศร้าเฟลดาเฟลดาเจ้าแขวอยู่ที่นี่อยรืเจ้าสาวเจ้าสาวท่านคือผู้มีค่าอย่างนั้นถ้าแม่ท่านรู้นางจะเศร้าและเศร้าอย่างมากเลยพวกเขาออกจากเมืองไปแล้วต้อนฝูงห่านไปเรื่อยๆตอนที่เจ้าหญิงไปถึงทุง่งหญ้านางจะนั่งลงที่แม่น้ำ แล้วก็ปล่อยผมของนางซึ่งมันเป็นสีเงินบริสุทธิ์เคอร์อเคนเห็นว่ามันสะท้อนแสงเขาเลยรีบิ่งมาแล้วดึงปล่อยผมขอ ง, ของนางออกมาร่างเลยร้องลมจ๋าเป่าหน่อยนะ <c oughs> ให้หมวกของเครเคนถูกพัดไปให้เขาไล่หมวกไปลมพัดหมวกไปนะ <c oughs> ให้ทั้งภูเขาทั้งก้อนหินเป็นใจให้กับข้าอย่าให้ผมของข้าเป็นอะไรไปเลย หลังจากนั้นมีลมแรงมากเป่าโบกของเคอร์เคนไปมันพัดข้ามเขาไปไกลมาก เ, าเคอร์เคนจะต้องหันหลังกลับแล้ววิ่งไล่มันตอนที่เขากลับมานางก็หวีผมนางจนเสร็จและมัดมันยังปลอดภยัยหลังจากนั้น <c oughs> เขาโกรธและงอนมากจนไม่คุยกับเจ้าหญิง <c oughs> พวกนางเฝ้าหาจนค่ำแล้วก็กลับบ้านไป ติดเดียวกันเกิดขึ้นเหมือนกันถึงสองวันและค่ำวันหนึ่งเคอร์เคนไปฟ้องท่านราชามอมฉันให้หญิงแปลกๆนั่นมาช่วยตอนหารไม่ได้แล้วแทนที่นางจะช่วยหมอมฉันนางไม่ทําอะไรเลยนอกจากแกล้งมอมฉันเคอร์เคนข้ามา่นใจว่าเจ้าไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นโดน ราชาบังคับให้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นและเคอร์เคนก็เล่าความจริงต่อไปอืมเจ้าทำงานต่อไปข้าจะจัด ก, การเองเมื่อถึงเช้าราชาไปอยู่ใกล้ๆ ก, กับประตูและได้ยินเจ้าหญิงคุยกับฟาราดาและฟาราดาตอบกับนางหลังจากนั้นเขาไปที่ทุง่งหญ้าและไปซ่อนในพุ่มไม้ หลังจากนั้นเขาเห็นว่านางปล่อยผมที่ทอประกายและเขาได้ยินนางพูดว่าลมจ๋าเป่าหน่อยนะให้หมวกของเคิร์สเคนถูกพัดไปให้เขาไล่หมวกไปลมพัดหมวกไปนะให้ทั้งภูเขาทั้งก้อนหินเป็นใจให้กับข้าอย่าให้ผมของข้าเป็นอะไรไปเลย หลังจากนั้นลมแรงก็พัดมาและพัดหมวกของเคอร์เคนและเคอร์เคนก็วิ่งไล่มันเจ้าหญิงก็เป่าผมหวีผมของนางต่อราชาเห็นทุกอย่างไว้กลับบ้านไปโดยไม่ให้ใครเห็นเขารอให้เจ้าหญิงหานกลับมาตอนค่ำราชาเรียกนางไปเข้าเฝ้าและถามนางว่าทำไมนางถึงทำแบบนั้นแต่นางร้องไห้ออกมา หม่อมฉันมีคนบอกท่านหรือชายคนไหนไม่งั้นหม่อมฉันอาจจะตายได้แต่ราชาขอนางจนนางไม่สบายใจนางไม่มีทางเลือกนอกจากจะเล่าความจริงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบทุกๆคำและนางโชคดีมากที่นางเล่าความจริงเจ้าจะไม่เป็นอะไรเจ้าหญิงข้าจะทำสิ่งที่ผิดให้ถูกเองเจ้าไปแต่งตัวไปเจ้าหญิงซะตอนนี้เลย เมื่อนางแต่งตัวเขามองนางด้วยความทึงนางสวยมากหลังจากนั้นเขาเรียกลูกชายออกมาและบอกความจริงว่าเขาโดนหลอกว่าภรรยาของเขาคือสาวใช้ธรรมดาธรรมดาและเจ้าสาวตัวจริงก็อยู่ตรงหน้าเขานี่คือเจ้าสาวตัวจริงของเจ้าข้าโชคดีมากท่านพ่อเจ้าชายดีใจที่ได้เห็นความงามของนาง และได้ยินว่าเจ้าหญิงอดทนและนอบน้อมแค่ไหนเขาไม่พูดอะไรกับเจ้าสาวตัวปลอมราชาสั่งให้จัดงานเลี้ยงทำให้ทุกอย่างพร้อมคืนนี้เราจะฉลองความจริงและลงโทษคนโกหกเจ้าบ่านั่งด้านบนเจ้าหญิงตัวปลอมด้านหนึ่งและเจ้าหญิงตัวจริงนั่งอีกด้านหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้จักนาน เพราะความงามของเจ้าหญิงโดดเด่นมากนางไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสาวเลี้ยงหารเพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าที่นางใส่เสริมความงามให้นางมากกลาดียังไงตอนทุกคนดื่มกินอาหารอย่างสุขท่านราชาเลยลุกขึ้นมาเล่าความจริงทั้งหมดวันนี้ข้าจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดฟังข้าให้ดีๆ เขาเลยเริ่มเล่าเรื่องหลอกให้เจ้าหญิงตัวปลอมฟังทั้งหมดเล่าตามที่เขาได้ยินมาและเขาถามเจ้าสาวตัวปลอมว่านางคิดว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ทําชั่วขนาดนั้นผลโกหกอย่างนี้เราต้องลงโทษอย่างไงไม่ควรจะทําอะไรนอกจากที่จะยนานางเข้าคุกตลอดกาลถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยนางจะต้องไปอยู่ในคุก ตลอดไปสาใช้ถูกลงโทษด้วยคำพูดของตัวเองราชานุ่มก็ได้แต่งงานกับชายาตัวจริงพวกเขาปกครองอาณาจักรยังมีความสุขตลอดชีวิตนางฟ้าแม่ทุนหัวมาเยี่ยมคู่รักและฟื้นชีวิตให้ฟราดาที่ซื่อสัตย์อีกครั้ง